แปลว่าสิบปีก็มีหนึ่งลายนะก็แสดงว่ า, างูงเงี้ยวเขี้ยวคอที่นี่นะก็เขาก็มีพุมีพิษเพื่อป้องกันตัวเขาเองจากศัตรตูในธรรมชาติแต่ไม่ใช่เรานะพวกเราไม่ใช่เป็นศัตรตูในธรรมชาติของเขาเพราะนั้นก็ให้สบายใจว่ า, าสิ่งสารสัตว์ที่นี่ก็เป็นมิตรของเราด้วยเหมือนกัน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 จะเป็นรถยนต์จะเป็นโทรศัพท์หรือพรคเครื่องนะถ้ารักแล้วก็อยากอยู่ใกล้ๆนะคนบางคนนี่รักรถมากนะ้วก็เช็ดรถทั้งวันคนะอยตรวจตารถบางคนนี่เอารถไปจอดไว้ในห้องแอรนะ์นะมีนะเพราะว่ารถนี่ราคาแพงมากราคายี่สิบล้านนะ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 นักเรียนวัยรุ่นนี่เป็นมากนะมีโทรศัพท์ก็ท้ว่งแล้วก็คุยโทรศัพท์กับเพื่อนเป็นชั่วโมงช่วโมงถ้าอยู่กับตัวเองเนี่จะอยู่ไม่ได้เลยนะเพราะฉะนั้นถ้าอยู่กับตัวเองแล้วไม่มีโทรศัพท์ไม่มีสมาร์ทโฟนนะก็จะรู้สึกเหมือนกับทุกข์ทรมานเหมือนกับตกนรกเลยก็ว่าได้ฉะันทารักตัวเองเนี่ยจริงๆมันจะไม่มีความรู้สึกแบบนั้นนะ หลายคนรู้สึกเหงาเวลาอยู่คนเดียวถ้าว่าเรามองว่าตัวเองเนี่ยเป็นเพื่อนคือเป็นมิับตัวเองเนี่ยก็ยากที่จะมีความรู้สึกเหงานณในความรู้สึกเหงาเป็นความรู้สึกที่เกิดจากความสำคัญตนว่าอยู่คนเดียวไม่ได้มีใครเลยแต่ถ้าเรามีตัวเองเป็นเพื่อนเนี่ย มันก็จะไม่มีความรู้สึกเหงาอ้างว้างนะมีตัวเองเป็นเพื่อนจะเหงาได้อย่างไรนะบางคนเหงาถึงขนาดที่เรียว่ายอมที่จะไปเป็นแฟนกับผู้ชายบางคนซึ่งรู้ทั้งรู้ว่าเจ้าชู้นะแล้วก็ไม่ได้เห็นคุณค่างตัวเองนะมีลูกของเพื่อนคนหนึ่งแกก็มาปรึกษาว่าทำยังไงดี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 มีเพื่อนสองคือตัวเองแต่ที่จริงแล้วเนี่ยนะคนเราสามารถที่จะเป็นมิตรกับตัวเองไดนะ้ขอเพียงแต่ว่าเรามีเวลาที่จะให้กับตัวเองมีเวลาที่จะอยู่กับตัวเองแต่ถ้าหากว่าเราไม่รู้จักวิธีนะการอยู่กับตัวเองกลับทำให้ฟุ้งซ่านและกลับจะเป็นทุกข์มากขึ้น มีคนจำนวนไม่น้อยเนี่ยนอกจากจะไม่เป็นมิตรกับตัวเองแล้วเนี่ยกลับเป็นศัตรูกับตัวเองด้วยซ้ําพระเจ้าตรัสว่าคนพาลเนี่ยย่อมทํากับตัวเองประหนึ่งเป็นศัตรูคนพาลในที่นี้ก็หมายถึงคนชั่วนะคนชั่วเนี่ยก็ทํากับตัวเองเประ ห, หนึ่งเป็นศัตรูคือทําร้ายตัวเองอย่างง่ายๆคือการปล่อยให้กิเลส หรือว่าความโลภครอบงำใจเสร็จแล้วก็ไปขโมยไปทำร้ายก้นฆ่าเพราะความโลภหรือว่าไปกระทําชําเราคนอื่นด้วยราคะไอ้สิ่งเหล่านี้เนี่ยสุดท้ายก็กลับมาทำร้ายตัวเองคือทำแล้วก็อยู่รอนนอนทุกข์ต้องคอยหลบหนี ตำรวจหรือกลัวเหยื่อผู้ฆ้าร้ายนะ่าจะมาแก้แค้นอันนี้ถือว่าทำร้ายตัวเองแล้วนะเมื่อเราไปทาชั่วผลร้รกก็จะย้อนสะท้อนกลับมาทำให้ตัวเองอยู่ไม่เป็นสุขยิ่งถิดติดคุกติดตารางด้วยแล้วนี่ก็เรียกว่าอนาคตรกร็ดับเลยอันนี้ือเป็นการทำร้ายตัวเองแบบหนึ่ง หรือว่าอาจจะไม่ถึงขั้นทําร้ายผู้คนแต่ว่าไอาความความหลงก็ทําให้เอาสิ่งที่เป็นทั่วกับตัวเองเนี่ยมาเสพสิ่งที่เป็นทั่วกับตัวเองเช่นกินเหล้าสูบบุหรี่จนแบบเมาหัวรา น, าน้ําเลยเสร็จแล้วบางคนก็พิการเพราะว่าขับรถเมามาจนเกิดอุบัติเหตุหรือว่า จ็ป่วยเพราะการกินเหล้าสูบบุหรีนะ่อย่างไม่บรญยับบรรยังนะอันนี้ก็ถือว่าทําร้ายตัวเองถือว่าเป็นการทํากับตัวเองเหมือนศัต ร, ตรูเหมือนกันนะนะพวกเราอาจจะไม่ถึงขั้นนั้นนะแต่ว่าบางครั้งอาจจะทําร้ายตัวเองในอีกลักษณะหนึ่งเช่นคอยเก็บ ความโกรธเอาไว้ในใจเก็บความแค้นไว้ในใจเก็บความาพยาบาทไว้ในใจไอ้สิ่งเหล่านี้เนี่ยมันเป็นเสมือนยาพิษนะที่มันบั่นทอนจิตใจและทำร้ายร่างกายของเราเราคงทราบอยู่แล้วว่าคนที่มักโกรธนะชอบเก็บความโกรธเอาไว้เนี่ยไม่รู้จักให้อภัยก็จะ มีโรคภัยไข้เจ็บเบียดเบียนได้ง่ายมีผู้หญิงคนหนึ่งอายุก็ไม่มากยี่สบกว่าแกไปหาหมอเป็นเวลาหลายปีแต่ก็ไม่หายสักทีปัญหาแกคือแกเป็นแกมีอาการปวดหัวปวดท้องเรื้อลังและความดันสูงเป็นอย่างนี้มาหลายปีไปหาหมอเท่าไหร่ก็ไม่หายหมอก็แปลกใจเพราะว่า ตัวสุขภาพก็ไม่มีรวามผิดปกติทางกายหมอเนี่เกือบจะถอดใจแล้วแต่วันหนึ่งหมอก็เกิดเอจใจขึ้นมาก็เลยบอกให้คนไข้เนี่ยช่วยเล่าประวัติของเข้าให้ฟังหน่อยเธอก็เล่าว่าเธอเป็นเด็กกาพร้ากาพร้าพ่อกาพร้าแม่ก็มีพี่สาวดูแลแต่เวลาเธอพูดถึงพี่สาวเนี่ยเธอก็มีอาการอาการก็คือความโกรธ แล้วก็มีความน้อยเนื้อต่าใจด้วยพี่สาวคงจะไม่ได้ไม่ได้ดูแลเธอเท่าที่ควรหรืออจเธอจะคาดหวังจากพี่สาวมากแต่ว่าไม่ได้รับอย่างที่ต้องการก็มีทั้งความกวดและความน้อยใจหมอก็เลยเดาออกว่าไอ้ความเจ็บปวดของเธอเกิดจากอะไรัวเลยแนะนำให้เธอเนี่ยให้อภัยพี่สาวอันเธอไม่พอใจนะโกรธหมอสิกนะหายหน้าไปเลย ไม่มาหาหมอยอเลยผ่านไปหนึ่งปีนะเธอเขียนจดหมายมาบอกบอกหมอคนเดิมนี่ว่าตอนนี้หายแล้วไอ้โรคปวดหัวปวดท้องเรื้อรังความดันหายเป็นปลิดทิ้งเลยเพราะว่าทำตามที่หมอนแนะนำานี้แสดงว่าเนี่ยความโกรธนะความเจ้าคิดเจ้าแค้นของเธอเนี่ยนะมันกลับมาทำร้ายตัวเธอเอง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 ความกลัวก็ได้นะความกลัวก็ถ้าเก็บสะสมเอาไว้ก็ทำ้ายตัวเองได้เหมือนกันอาจจะเริ่มต้นจากร่างกายก่อนแลคุณหมอประเวกเคยไลฟยฟังว่าเคยมีนักมีผู้ชายคนหนึ่งแกอายุประมาณสักสี่สิบได้มั้งทำงานบริษัททำเป็นนักธุรกิจ แกเล่นเทนนิสเป็นประจำก็แสดงว่าสุขภาพก็ใช้ได้ทีเดียวแล้ววันนึงไปตรวจสุขภาพประจำปีปรากฏว่าหมอบอกว่าแกหัวใจรั่วพอที่แกก็ตกใจเลยวนะ่เพราะว่าความเข้าใจแกหัวใจรั่วคือว่าหัวใจเป็นรูพอหัวใจเต้นมันก็สูบมันก็มีเลือดพุ่งออกมาแกวาดภาพอย่างนั้นแกก็เลยตกใจกลัวอย่างนี้ก็ตายสิ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 มันเป็นใจของตัวเองเท่านั้นแหละนะที่ปรุงแต่งไม่มีใครมาทำให้เป็นอย่างนั้นเลยอันนี้ก็ล้วนแต่เป็นอาการของใจที่นะทำให้ตัวเองเนี่ยนะกลายเป็นศัตรูของตัวเองนะนะถึงบอกว่ามันไม่ใช่เฉพาะคนผานเท่านั้นที่ทำกับตัวเองเป็นศัตรูนะะคนที่หลงตัวคนที่ลืมตัวก็สามารถจะ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 พ่อแม่ก็ทาให้กับเราไม่ได้เพื่อนก็ทาให้กับเราไม่ได้แต่จิตที่ฝึกไว้ดีแล้วเนี่ยสามารถจะทาสิ่งนั้นให้กับเราได้สิ่งนั้นคืออะไรฉันก็คือความสุขสิ่งนั้นคือความสงบอาจจะถึงขั้นที่เรียกว่าพ้นทุกเลยก็ได้นะนันคือนิพพานนิพพานคือความสงบเย็นเป็นอิสระจากความทุกข์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 กลับมาเป็นมิตรกับเราทำให้เราเป็นมิตรกับตัวเองจิตถ้าหากว่าไม่ฝึกเนี่ยนะมันจะเป็นจิตที่อันตรพาลเป็นจิตที่เกเรเป็นจิตที่ไม่เชื่องนะแต่จิตนั้นเนี่ยสามารถฝึกให้เชื่องได้สามารถจะฝึกให้เป็นมิตรที่ประเสริฐของเรา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 เราอยากจะเราแทบจะตัดมันทิ้งเลยนะอยากจะตัดมันทิ้งเหลือเกินคนที่เป็นมะเร็งปอดนี่จะปวดเพปอดมากก็ mad, อยากจะตัดปอดทิ้งแต่มันตัดไม่ได้คนที่เป็นมะเร็งสมองนี่ก็ทรมานมากอยากจะตัดสมองทิ้งก็ตัดไม่ได้ยังดีนะที่หัวใจเป็นอวัยวะเดียวที่ไม่เป็นมะเร็งนะเ อ, อาไปให้อื่นนี่มันเป็นมะเร็งได้ทั้งนั้นเลยนะโชคย่างดีนะที่ไม่มีใครเป็นมะเร็งหัวใจนะแต่แม้จะเป็นมะเร็งอื่นนะมันก็ตัดไม่ได้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 ันการที่เราจะทำให้าการที่เราจะเป็นมิตรกับตัวเองหรือทำให้จิตใจนี้เป็นมิตรกับเราได้นี่สิ่งสำคัญคือธรรมะนะเมื่อเรามีธรรมะธรรมะนั่นจะรักษาใจเราธรรมะนั่นจะสามารถเปลี่ยนใจของเราจากที่เคยเป็นศัตรูให้กลายเป็นมิตรและสามารถจะเป็นที่พึ่งพางเราได้อย่างแท้จริ ง, งการปฏิบัติธรรมจึงเป็นเรื่องสาคัญนะการเป็นมิตรกับตัวเอง